เดี๋ยวเราจะลองยืนภาวนาดูทานข้าวเสร็จใหม่ๆลองยืนภาวนาสักสิบห้านาทียืนยืนยืนยืนยืนภาวนายืนให้มันคงขาเขอะให้มันมั่นคงหน่อยการยืนนี่มันใช้ความเพียรสูงใช้วิริยะมากเพราะว่าใช้ความพยายาม มันจะต้องบังคับควบคุมร่างกายของเรารู้สึกว่าเรายืนอยู่เนี่ยเอาจิตเอาความรู้สึกของเราอะมองดูมองดูตัวเรามันจะรู้สึกว่าเรายืนอยู่เอาจิตเนี่ยให้มันมาดูดูแล้วมันก็จะเหมือนมันมองมองภาพรวมของร่างกายเรามองภาพรวมทั้งก้อนเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันยืนอยู่รู้ ใครจะบริกรรมก็ได้ยืนหนอยืนหนอหรือว่ารู้รู้สึกว่ายืนอยู่รู้ว่ายืนอยู่ในความรู้สึกของเรายืนยืนยืนก็ได้แล้วแต่เราอะแค่ว่าให้ความรู้สึกอันนี้มันรู้สึกอยู่รู้สึกว่ายืนอยู่มันก็จะพยายามที่จะปักหลัก นี่คือมันใช้พลังพลังมากกว่านั่งเพราะว่ามันจะต้องมาบังคับร่างกายให้ทรงอยู่ได้ของการเดินจงกรมการนั่งสมาธิเนี่ยการเดินการยืนกับการนั่งก็เลยแตกต่างกันเพราะว่าการยืนการเดินมันใช้วิริยะใช้ความพยายามในจิตนี่มากเป็นการปรับอินรีก็ได้หมายว่าถ้ายืนหรือเดินเนี่ย เมื่อวิริยะมันมากสติมันตื่นทําให้สติมีกําลังเวลานั่งสมาธิลงไปในเมื่อสติมันดีสติมีกําลังมันจะควบคุมจิตง่ายนิวรก็น้อยเพราะถ้าท่ายืนเนี่ยมันหลับปุ๊บมันจะงนเงนินมันก็จะตืน่นจะรู้สึกตัวได้สําหรับคนที่ชอบง่วงหรือว่าเวลาที่เราง่วงเราต้องเปลี่ยนเดียบด เป็นท่ายืนก็ได้ท่าเดินก็ได้มันจะทำให้สติเราดีสติมีกำลังและนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันถ้านั่งมันง่วงมันซึมมันหลับเราใช้วิธีนี้ช่วยรู้สึกว่ายืนอยู่เมื่อรู้สึกว่ายืนอยู่แล้วเราอยากจะมาดูลมก็ได้อยากบริกรรมอะไรก็ได้จะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ จะขยับก็ได้รู้ตัวคือเราไม่จําเป็นต้องยืนนิ่งอย่างเดียวเราขยับก็ได้ยกขาได้ขยีงเท้าได้จะเอียงไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างก็ได้เราเน้นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวคือความมีสตินั่นเองจะบริหารบ้างก็ได้มันปวดมันเมื่อยตรงไหนเราโยกเอาเราเคลื่อนไหวเอาขี้คลาลยมันได้ มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าสติมันดีแล้วก็มันก็เป็นการสํารวจดูลงกายด้วยว่าตรงไหนมันมีตึงมากมันหย่อนมากตรงไหนมันผิดปกติมันเมื่อยตรงนั้นตรงนี้เราก็ขยับเอาเคลื่อนไหวเอาได้ปรับอินทรีย์เราปรับสมดุลภายในกายเราภายในจิตเราได้ แต่รักษาจิตไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้าย น, นี่หลักสําคัญอันนี้มันเป็นหลักสูตรของพระพุทธเจ้าเลยตปฏิบัติในท่าไหนก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามเวลาไหนก็ตามเกิดอะไรขึ้นก็าตามต้องพยายามเข้าไปหาหลักคือละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้หรือว่ากําจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้ก็หมายก็ว่าอะไรเกิดขึ้นก็าตาม นาที่ของเรารักษากจิตไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอาหอยสังเกตดูนะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายบ้างถ้ามันรู้สึกว่าเมื่อยเนี่ยแสดงว่านั่นหรอมันเริ่มแสดงความทุกข์ในตัวของมันเองอะ่ะมันเป็นตัวทุกข์อ่ะมันเป็นก้อนทุกข์อ่ะเราจะหลงว่ามันเป็นสุขอะ่ะเราจะเอาแต่สุขอะ่ะเราก็เลย ลองยืนดูพอยืนแล้วพอมันยืนนานก็เริ่มเมื่อยพอมันเมื่อยเราก็จะเห็นแล้วเนี่ยเป็นทุกขเวทนามันไม่ใช่สุขไอ้ก้อนอันเนี้ยก้อนเนี้ยต่อไปมันจะแสดงทุกขให้เราเห็นบ่อยขึ้นยิ่งทังรงกายของใครอ่ะมันแก่ลงไปมากความทุกขมันก็จะมากด้วยแต่ถ้าเราไม่เอาจิตเรามาสังเกตเนี่ยมันจะไม่รู้นะ ไว้ที่เราอาศัยอยู่นี้มันเป็นก้อนทุกข์เหมือนมันซ่อนทุกข์เอาไวอ้อ่ะพอเราเมื่อยปุ๊บเราก็รีบเปลี่ยนเรานั่งเราเจ็บนิดหน่อยเราก็รีบเปลี่ยนเรายืนนิดหน่อยเรารู้สึกเมื่อยเมืยนิดนหน่อยหน่อยเราก็รีบเปลี่ยนนั่นแหละมันซ่อนเอาไว้เพราะเราไม่อยากมีทุกข์เราอยากจะเอาสุข แต่ก้อนนี้มันเป็นก้อนทุกข์ที่นี่พอยืนนานๆหน่อยเริ่มเมือ่อยเริ่มปวดจิตก็เริ่มอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะนั่งขึ้นมานินี่แหละในจิตเรานะ่ะมันอยากเอาแต่สุขอยากแต่เอาแต่ความสบายแต่เราไม่สังเกตเราจะไม่เห็นมันนะเพราะนั้นเรายืนเราก็สังเกตดูด้วยจิตของเรามันจะชวนนะ ชวนนั่งไหมนั่งไหมไอ้ไ ก, ก่เราเ้งไก่ลราเม้งเดี๋ยวก็ได้นั่งแล้วเราก็คุมมันไว้เราไม่ทําตามมันเราก็ยืนแล้วก็สังเกตต่อไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเราก็สังเกตแล้วเราก็เวลานั่งเราก็จะมีข้อเปรียบเทียบด้วยการเปรียบเทียบได้กัจงจิตเราตื่นด้วยรู้ได้ว่าเออเวลายืนเนี่ยมันเป็นยังไงแตกต่างกับ น, นั่งยังไงเวลานั่งมันเป็นยังไง ตามหลักแล้วนั่งในสมาธิมันมากมันเกิดเร็วมันมากแต่ ว, ว่าสติเราอ่อนมันจะซึมจะง่วงจะซึมจะหลับหรือว่าจะแช่มันไม่ตื่นตัวไม่รู้สึกตัวได้ดีไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ถ้าเราเจริญสติก่อนทำให้สติมีกำลังนั่นก็คือเดินหรือยืนเดินนั่งแล้วยืนจากนั้นภาวนาสติจะดีอีอย่างหนึ่งเนี่ย เวลามันเมื่อยเราก็ทนสังเกตดูมันความเมื่อยเนี่ยเพื่อให้จิตเราเห็นว่ามันอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นมันเจ็บเนี่ยก็เป็นเรื่องร่างกายมไม่ใช่จิตอันนี้เป็นการสอนจิตเราไปด้วยเอาเตรียมตัวเดี๋ยวเราจะนั่งเราสังเกตเป็นโอกาสสุดท้ายเลยเนอะท่ายืนของเรามันรู้สึกยังไงคราวนี้ก็ค่อยๆนั่งลงนะ ทีนี้เราจะอยู่ในอิบทนั่งแล้วแล้วเราก็บอกตัวเองเนี่ยต้องระวังพวกนิวรนทั้งหลายนี่นะนิวรนนิวรละนิวรณธรรมมันเป็นเครื่องกั้นความดีไม่ให้จิตเรามีสติมันจะทำให้เราหลับทำให้ง่วงทำให้ซึมบ้างดึงจิตเราไปทางนั้นเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บ้างเนี่ยเราจำเป็นจะต้องสติเราต้องดีขึ้น ต้องระวังไปในตัวด้วยนิวรณ์หเราก็รู้กันอยู่แล้วทั้งหอย่างโดยเฉพาะทีนะ่มิทันนิวรเนี่ยมันเกิดมากเพราะว่าหลังรับประทานอาหารเนี่ยอาหารมันยังย่อยไม่หมดกับเพาะเรามันกำลังย่อยอาหารเลือดมันจะมาหล่อเลี้ยงบริเวณกระเพาะมากเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็จะลดลงมันก็เลยมีผลทำให้มันซึมได้ ความซึมเนี่เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่จิตจิตเราตื่นทำให้ตื่นได้ทำให้มีพลังได้ช่วงไหนมันง่วงมันซึมก็ต้นความรู้สึกเพ่งให้มันแรงขึ้นหน่อยบริกรรมกดแรงเร็วถ้าดูอยู่ก็จดจอจ้องให้แรงขึ้นความรู้สึกที่มันไปดูนะ่ะให้มันมีกำลังให้มีพลังให้มีความแรงของมันแล้วก็บอกตัวเองไปด้วยถ้ามันซึม เราจะทํายังไงรับมือมันยังไงนี่เตรียมตัวพร้อมหมดทุกอย่างไม่เสียท่านิบอลไม่เสียท่าความว่วงจากนั้นก็นั่งไปทำลํำพังนะอา้าวเตรียมตัวนะเตรียมตัวเดี๋ยวเราจะหยุดล้เอาจิตของเราสํารวจดูขณะนี้ มันไปนเด่นชัดอยู่ตรงไหนอ่ะความรู้สึกอ่ะจิตเรามันไปจับอยู่ตรงไหนอาการของอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเด่นมันเป็นที่สนใจของจิตเป็นที่เพ่งเล็งของจิตแล้วสังเกตดูว่าจิตของเราทํำยังไงเนี่ยถ้าว่ามันเด่นขึ้นมาจิตเราไปรู้รู้รู้ตรงกับสภาวะนั้น อ๋อสภาวะนั้นอยู่ยังไงมึงก็รู้ไปตามความเป็นจริงนั้นก็แสดงว่าเรามีสติสัมปชัญญะนี่แสดงว่าเรากำลังเสริมสร้างกำลังให้กับจิตของเราเนี่ยฝ่ายกุศลเนี่ยฝ่ายกุศลคือฝ่ายสติฝ่ายสัมปชัญญะฝ่ายสมาธิฝ่ายปัญญาเป็นไปเพื่อให้จิตของเรามันได้ปล่อยได้วางเพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้น ความเป็นอิสระพระพุทธเจ้าจึงให้เพียรสร้างกุศลเพียรละบาปละอกุศลป้องกันบาปป้องกันอกุศลทั้งใหม่ทั้งเก่าไม่เข้ามาเข้ามาแล้วก็เพียรละเพียรปล่อยเพียรวางเพียรทิ้งฝ่ายกุศลต้องเจริญเจริญเจริญก็คือว่าเพิ่มพูลขึ้นสติพยายามให้มีกำลังมากขึ้น สมาธิให้ตั้งมั่นขึ้นปัญญาให้เห็นแจ้งชัดขึ้นแล้วคุณงามความดีฝ่ายกุศลมันจะเจริญขึ้นเองอะ่ะพอมันเห็นจิตตัวเองเข้าใจเรื่องของตัวเองเข้าใจคนอื่นไปด้วยกันระวังจิตเราเองเวลาไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นมันจะระวังตัวเองแล้วก็ไม่คิดเบียดเบียนใครนี่นี่ละมันไปเกี่ยวข้องกันถูกต้อง ช่วยเหลือกันแล้วรู้สึกว่าเบิกบานเนี่ยมันเห็นมันก็อยากทําความดีเนี่ยมันก็จะเป็นฝ่ายกุศลเพิ่มกุศลมากขึ้นดีทั้งภายนอกภายนอกเราอยู่ตรงไหนเราก็พยายามทําตัวเองให้มันดีให้มันมีคุณค่าอะไรควรทําก็ทําทําแล้วข้างในเราก็ต้องมีสติรักษาจิตใจเห็นความจริงที่มันปรากฏขึ้น เกิดขึ้นในจิตเนี่ยเราก็จะเข้าใจเรื่องชีวิตมากขึ้นนี่เรียกว่าเพียนสร้างกุศลเพียงเจริญกุศลเพียนทําให้กุศลจเจริญขึ้นจนภัยบูรนั่นต้องเพียนจนมันบริบูรณสมบูรณ์นั่งสมาธินี่ก็เพียนสร้างกุศลสร้างสติสมาธิปัญญาวิริยะเพียนพยายามอดทน ก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วไฟกุศลนนมันจเจริญขึ้นจนมันภัยบูนภัยบูนเมื่อไหร่มันจะปล่อยวางมันค่อยปล่อยวางไปเรื่อยๆจนภัยบูนน่ะปล่อยวางได้สนิทสนิทไม่ไปจับฉวยอะไรมาอีกนันคราวนี้ไม่เอาอีกแล้วเอาเมื่อไหร่ก็หนักเมื่อนั้นเมื่อแล้วมก็รู้เรื่อยเออเอามาไม่ได้ มันอยู่ของมันเป็นธรรมชาติของมันมันต้องชัดอยู่ภายในแล้วมันถึงจะออกมาแล้วที่นี้ความชัดแจ้งนั้นมันก็กระตุ้นเตือนเรามันกระตุ้นของมันเองทำให้เราไปยึดอะไรไม่ได้เลยยึดไม่ได้ทุกอย่างก็เลยเป็นธรรมชาติไปเอาสัรวมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายนะ ตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าทำจิตให้ตื่นรู้สึกตัวให้เต็มที่พออะไรพระไทยของพระเจ้าเนี่ยมันตื่นเบิกบานเต็มที่เราเป็นสาวกเราปฏิบัติตามพระองค์อย่างน้อยก่อนจะเลิกทำให้มันตื่นตัวเต็มที่เบิกบานเต็มที่ รู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเต็มที่ น, นนี้หลักเรียววัาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเหนือการบูชาทั้งปวงจากนั้นก็ขอโหสิกรรมช่องทางไหนทำให้จิตใจของเรามันเจริญขึ้นเราเอาได้หมดอะ่ะมีสติแล้วก็ขอโหสิกรรมไป ให้อโหสิกรรมไปด้วยให้อภัยไปด้วยล้างออกไปให้หมดหน้าที่ของชีวิตก็คือพยายามที่จะให้รู้แจ้งความจริงเกี่ยวกับชีวิตตัวเองว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรหนะักเวลาเอาเข้าจริงๆไม่มีอะไรมีแต่ว่าไม่มีมีแบบไม่มี เอาเข้าจริงๆแล้วไม่มีมีโดยสมมุติแต่จริงๆแล้วไม่มีเพราะสุดท้ายร่างกายของเราก็แตกดับสลายไปเมื่อลูปไม่มีแล้วตายแล้วน้ำก็อยู่ไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าไม่หมดเชื้อ น, น้ำมันก็ไปเกิดได้อีก เราก็ต้องพยายามให้มันรู้ความจริงให้หมดจดล้วมันยังไม่หมดก็เอาพยายามต่อไปพยายามต่อไปของโหสิกรรมเรียบร้อยแล้วก็หมอกายถวายชีวิตพระพุพทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้มันทำให้จิตเรามีกำลังโหแล้วมันเหมือนเรามีที่พึ่งนะเหมือนจิตมันรู้ทางเดินเข้ามานะตอนนั้นพอโยมพีสะพยนี่ลหละ ป่วยป่วยมากไปอยู่โรงพยาบาลก็เห็นเห็นพยาบาลเนี่ยคนโตเขาบอกปรุงอาหารคนเล็กก็เสิร์ฟอาหารญาติคนไข้คนไข้กลายเป็นมากินอาหารกันหมดเลยแกเห็นของแกเองอะพวกญาติพี่น้องก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ขึ้นไปเล่าให้ฟังก็เลยบอกว่านั่นแหละนิมิตของเขาแสดงว่าเขาใกล้จะตายแล้ว หาทางทำให้จิตเขาดีขึ้นเอาเดี๋ยวจะไปลงไปบินธบาตนะจัดอาหารให้เขาได้ใส่บาตรปิ๊บลงไปเขาจะใส่บาตรที่แรกให้อธิษฐานจิตเลยเกิดชาติใดาก็ตามขอให้ได้พบพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่ต้องการให้จิตมันมีที่พึ่งตอนแรกต้องพึ่งพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์งก่อน จะไปพึ่งเครื่องรางของขังอไปพึ่งเทวดามันไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นอันนี้พอเลยครอบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ามนุษย์เทวดาก็ต้องกราบไหว้พระพุทธเจ้ากราบไหว้พระธรรมกราบไหว้พระสงฆ์นี่เราก็เอาสิ่งสูงสุดมาเป็นที่พึ่งเพราะนั้นเราก็ตั้งใจปักหลักลงไป หมอกายถวายชีวิตพระพุทธเจ้าพะระธรรมส่งทําจิตให้แน่วแน่จะได้มีกําลังปักลงไปที่จิตเราเหมือนกับนี่ยืนยันเราจะขอมีพระเจ้าพะระธรรมส่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงนี่ย้ําเข้าไปให้มีศรัทธาไม่เปลี่ยนแปลงมันจะได้ไม่เปลี่ยนไปนับถือลทัทธินั้นลทัทธินี้บางทีมันไม่แน่นี่เราเกิดมาแล้วมันไปอยู่ในแวดวงของลทัทธิอื่นอีก เรามาอบ ก, กายถวายชีวิตเอาไว้แล้วจิตมันจดจำมันไม่เอาทีนี้มันจะหาทางออกที่ถูกต้องเนี่ยมันมีประโยชน์ทำให้จิตเราเข้มแข็งด้วยจานันก็อุทิศบุญอันนี้พวกนี้เราเคยทำมาหมดแล้วให้อุทิศบุญเองไปเลยนะ